มีมีหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งนะน่าสนใจชนะื่อเรื่องว่าของกองติเป็นวรรณกรรมของฝรั่งเศสอาจจะจำรายละเอียดไม่เคยได้เพราะว่าหลายสิบปีแล้วที่อ่านนะแต่ก็มันมีเรื่องราวือที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องราวของของผู้ชายคนนึงที่ที่เคยเรียกว่าเคย เคยรวยเคยประสบความสําเร็จนะแล้วก็เคยมีฐานะที่ดีมีหน้ามีตาในสังคมแต่พอถึงคราวหนึ่งก็มีเหตุการณ์อะไจะไม่ได้ก็พลิกชะตาชีวิตจากที่เคยมีก็เคยกลายเป็นคนจนกลายเป็นคนอัปลรรักษณนะ์กลายเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็คือจากที่เคยอยู่แบบสุขสบายก็ต้องกลายมาเป็นคนทุกข์ยาก ลำบากอนาถาเขาก็รู้สึกทุกข์ใจกับชาตาชีวิตมากเพราะว่ามันคล้ายๆรู้สึกว่าไปโทษฟ้าโทษ ด, ดินโทษชทตาชีวิตว่ า, าทำไมตัวเองต้องทุกข์แบบนี้ทำไมตัวเองต้องเจอกับเครกรรมแบบนี้ทำไมตัวเองต้องประสบกับสิ่งนี้ด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจของเขาคือเมื่อเขาได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆ ไปเจอผู้คนได้ได้เปลี่ยนกับประสบการณ์ผู้คนได้คุยกับผู้คนก็พบว่าที่จริงคนที่เจอเรื่องราวแบบนี้มีมากมายมีมหาเศรษฐีหลายคนมีเศรษฐีหลายคนซึ่งเออ่เคยรวยมากกว่าเขาอีกตอนนี้ก็อับเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากจนมากกว่าเขาอีกนะบางคนเคยสวยเสยรอหน้าตาตอนนี้กับอัปรักษ์กับเรียกว่าคิเลมากนะบางคน เป็นคนพิการได้ซ้ำไปคือคล้ายๆว่ายิ่งยิ่งได้คุยกับผู้คนยิ่งเห็นโลกมากขึ้นยิ่งเดินทางมากขึ้นกลับเห็นว่าเออที่จริงคนที่ทุกข์นะคนที่ทุกข์เหมือนเหมือนเราเนี่ยก็มีมากมายหรือคนที่ทุกข์มากกว่าเราก็ยังมีอีกมากมายนะคล้ายๆมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทาให้ความทุกข์ ในใจของเขาอ่ะมันลดน้อยลงไปเพราะว่าการที่ได้เปิดใจในการเห็นเรื่องราวหรือรู้เรื่องราวของคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าตัวเองแต่แต่ก่อนเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าจมกับความทุกข์ของตัวเองเพราะว่าไปยึดติดกับอดีตที่เคยมียึดติดกับอดีตที่เคยเป็นนะยึดติดกับความสุขความสบายของอดีตแล้วก็มาโทษชะตาชีวิตว่าทําไมตอนนี้ชีวิตตัวเองทุกข์ยากลําบากนะ คนเรา ส, ส่วนหนึ่งนะบางทีความทุกข์มันก็เกิดจากการที่ที่ยึดติดกับความความเคยมีเคยเป็นเคยได้จากอดีตนะจะเป็นการมีการเป็นการได้ในวัตถุภายนอกก็ดีหรือบางทีไม่แต่การปฏิบัติธรรมการทาสมาธิหรือการฝึกสติบางทีพอเราเจออารมณ์ที่ที่ดีที่น่าพอใจ จิตมันก็จะอยากจะเอาอารมณ์นั้นอีกแล้วนะ เ, เคยได้สมาธิจิตเป็นปิติหรือจิตมีความสงบเมื่ออยากจะทำสมาธิอีกก็ไปตั้งเป้าหมายอยากจะให้ได้เป้าหมายแบบเดิมนะเคยเมีอาการอย่างไรนะเห็นสภาวะรมอย่างไรบางทีจิตเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราเดินทางอยู่ก็จิตมันก็เรียกว่าอยากจะลิ้มรสของรสชาติแบบนั้นนะเพื่อ เห็นอาการแบบนี้แล้วรู้สึกมันดีมันเบามันสบายมันไม่ทุกข์นะก็อยากจะเห็นแบบนั้นอันนี้ก็คืออาการที่เรียกว่ายึดติดกับอดีตนะยึดติดกับอดีตเช่นเดียวกันนะแต่พอที่จริงถ้าเราแค่ยอมรับความจริงว่าเอออดีตมันก็เป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันอนาคตเออปัจจุบันของเราเป็นแบบไหนเราควรจะใส่ใจตรงนั้นขึ้นมากกว่าเหมือนกับกล้องที่ที่เขาเดินทางไปเขาก็เห็น เห็นแล้วที่จริงความทุกข์ของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขายึดติดกับอดีตอดีตที่เคยสุขเคยสบายเคยเคยได้แต่พอมาเห็นที่จริงแล้วประสบการณ์รชีวิตตอนนี้โชคชะตาตรนนี้มันไม่ใช่แค่เล่นตลกกับเขาคนเดียวหรอกนะหลายๆคนก็เจอประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะหนักกว่าเขาได้ซ้ําไปนะแต่นะมันก็ทําให้ได้คิดว่าเออความทุกข์ของตัวเองเนี่เกิดจากการยึดติดอีกอย่างหนึง่ง อีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ตัวเองได้ความทุกข์ลดน้อยลงไปเบาบา ง, งไปจากการที่เห็นว่าชีวิตของคนอื่นเขาก็ทุกข์มากกว่าตัวเองก็มีนะตัวเองจะไปจมกับความทุกข์ของตัวเองทําไมนะในเมื่อชะตาชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะเขาก็เดินทางแบบนี้ยไปเรื่อยจนทั่งไม่ไม่เคยในใจแต่จําได้บทสุดท้ายของหนังสือมันเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆเขาก็เลิกเดินทางนะพราะ แต่ก่อนจะเดินทางไปหาที่สบายที่สนุกที่มีความสุขเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเขาเขาตัดสินใจที่จะหยุดพักในการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกที่หนึ่งทำสวนปลูก ผ, ผักทํานาอะไรประมาณนี้นคล้ายๆพอใจกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ไปโหยหาเดินทางหาความสุขความสบายอยู่แล้วกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตที่จากที่จากตอนนั้นแหละที่ไม่มีอะไรแหละแต่จะเริ่มต้นในการทำชีวิตใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคือมันเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่วินก็อาจจะเปรียบเทียบคล้ายๆการเดินทางของพวกเราเหมือนกันเนาะถ้าพวกเราไปไปยึดติดกับอดีตที่เคยสบายเคยมีความสุขหรืออย่างที่เคยที่พูดเมื่อกี้บางที แม้แต่อารมณ์ภายในก็เหมือนกันที่เคยที่เคยสงบที่เคยมีอาการของสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นด้านดีถ้าเราไปยึดติดกับสภาวะตรงนั้นนะมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจในตัวของเราเองนั่นแหละถ้าเราไปหยหาถึงอารมณ์นั้นแต่ถ้าเรา <c oughs> มีสติอยู่กับปัจจุบันนะวางอดีตไปเลยอดีตจะเคยทุกข์เคยสุขเคยสบายเคยสงบอย่างไร ให้ปล่อยไปเรื่องของอดีตไปเลยเรามาใส่จใจที่ปัจจุบันตรงนี้ก็พอปัจจุบันตอนนี้ให้ตนหนักรู้เลยว่าเราไปทุกข์ใจเพราะความอยากไหมนะความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเอาของเรามันทำให้มันกลายเป็นความอยากไหมเราต้องรู้ทันตรงนี้เลยแล้วก็เ อ, อ้าวางเออรู้ทันว่าเออมันอยากมันอยากได้อีกแล้วมันอยากจะเอาอีกแล้วเออวางความอยากก็ น, นั้นไป เมื่อจิตใจเรารู้ทันความอยากที่มันคอยบงการจิตใจแล้วเออมันก็เรียกว่าความอยากก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเรารู้ทันมันละมารู้ทันจิตใจก็เกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความไม่ทุกข์แล้วเนี่ยประเด็นสำคัญมากก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นในจิตในิใจนะความอยากก็จะครอบงาจิตใจทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆแม้ความอยากนั้นจะเป็นความอยากในทางที่ดีขานานไหน แต่ความยากในทางที่ดีมันก็เคี่ยวเข็นจนกระทั่งเราทุกข์ใจไม่ใช่ว่าคนส่วนให ญ, ญ่จะคิดว่าเราจะพบความสุขพบความสงบตอนที่ได้ผลแล้วแต่จริงลืมไปว่าก่อนที่มันจะเกิดผลตัวเนี้ยมันเคี่ยวเข็นเราจะกระทั่งมันทุกข์นะมันทรมานหรือว่ามันทําให้เราต้องลําบากใจมากมายขนาดไหนนะเพราเราคิดว่า ความสุขมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลมันเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ระหว่างทางก็อดทนเอานะก็ต้องทุกไปหนักๆ ก, ก่อนอประมาณนั้นแต่ที่จริงในขณะที่เดินทางเราก็สามารถค้นพบความสุขไดนะ้เมื่อเรารู้ทันความอยากละความอยากนะกท็ที่จริงก็ไม่ใช่รู้ทันความอยากรู้ว่ามันทุกข์ใจเพราะความอยากเห็นเลยว่าเออความอยาก ม, มาขึ้นความทุกข์มันก็เกิดการละความอยากได้ มันก็เกิดเป็นความสุขความสงบในตอนนั้นอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญมากเวลาเราภาวนาไปเออเห็นเห็นว่ามันทุกข์ใจเกิดขึ้นรู้ว่ามันความอยากมันเป็นตัวครอบงำจิตใจก็ละมันไปจิตใจก็เกิดเป็นความไม่ทุกข์เป็นการเดินทางที่ถูกทางแล้วแน่ที่จริงเรื่องของอริยสัจสี่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวของจิตนี่แหละนะ จิตที่รู้ทุกมันก็ระสมหมุ่ไทยนะมันก็เป็นการทำให้นิโรธแจง้งแล้วก็เป็นการเจริญให้มรรคเรียกว่าเดินทางเจริญมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของที่สติสัพชัญญญาเขาทำงานรพร้อมกันไปถ้าเราเรียนรู้จากจิตของเราเองนะแล้วก็เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ทำได้แค่ปัจจุบันเท่านั้นอดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันนะ อนาคตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันใส่ใจแค่ปัจจุบันขณะแค่นี้ก็พอว่าปัจจุบันขณะตอนนี้มันทุกข์ไหมปัจจุบันขณะตอนนี้มันปกติไหมหรือปัจจุบันขณะตอนนี้มันหลงรู้ไหมหรือปัจจุบันขณะตอนนี้มันรู้ไหมใส่ใจแค่ตรงนี้ก็พอนะถ้ามันหลงก็เปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้ถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำแค่นี้แหละที่ทําได้แต่ก็ การที่อยู่กับปัจจุบันก็ต้องย้าอีกอย่างก็ไม่ใช่การจมอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันนะคือรู้ว่าปัจจุบันตอนนี้มันเป็นแบบไหนนะอะไรกระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เท่าทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกอย่างไรรู้เท่าทันเป็นผู้รูนะ้หรือว่าเป็นผู้ดูก็ได้อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกก็คือการรู้ที่ปัจจุบันก็คือการดู การเห็นที่ปัจจุบันเหมือนกับเราดูหนังดูละครถ้าเราเป็นผู้ดูจริงๆก็จะเห็นหนังเห็นละครเห็นโทรทัศน์เป็นสิ่งที่ถูกถูกถูกเรารู้อีกทีหนึ่งตัวผู้รู้ก็จะทำหน้าที่แค่รู้เฉยๆรู้ว่าอาการของกายก็แสดงอาการเช่นใดยืนเดินนั่งนอนปวดขาปวดสังมีเวทนาเกิดขึ้น เ, เวทนาของกายนะรู้เท่าทันอาการของกายก็คืออาการที่เป็นอิริยาบถก็ดีหรืออาการที่เป็นเวทนาที่เนื่องด้วยกายก็ดีหรือว่าถ้าภาษานของพ่อเทียก็คือนะรูปทุกนะรูปมันทุกก็รูปมาแสดงอาการของความทุกข์แบบไหนแล้วก็ดูไปแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้เท่าทันนะเรื่องของนาม นะมาทําที่เกิดขึ้นเห็นว่าจิตตอนนี้มันปกติไหมหรือว่าเห็นว่าจิตตอนนี้มันผิดปกตินะรู้แค่ตอนนี้ก็พอละรู้ของสองอย่างนี้ก็พอคือความปกติกับความไม่ปกติถ้าเห็นว่าอ๋อขณะ ท, ที่พูดคุยจิตเป็นปกติไหมนะขณะ ท, ที่อยู่คนเดียวจิตเป็นปกติไหมนะหรือว่าจิตฟุ้งซ่านไปขณะ ท, ที่พูดคุย ฟุ้งซ่านไปขนะที่อยู่คนเดียวก็ฟุ้งซ่านได้ <c oughs> คือปฏิกิยาภายนอกบางทีเราไม่สามารถตัดสินได้บางคนดูภายนอกดูสงบแต่จริงภายในก็อาจจะไม่สงบก็ได้บางคนดูภายนอกดูอาจจะไม่สงบนะไม่สํารวมระวังแต่ภายในเขาสงบเป็นปกติดีอยู่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่ได้หลงไหลไปกับสิ่งที่ทําก็มีเนี่ยบางทีอาการภายนอกไม่สามารถตัดสินได้ว่าคุณธรรม ภายในหรือว่าจิตใจก็เป็นอย่างไรดัน้นสิที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราหนักรู้ที่ภายในใจของเรารู้ทันจิตใจรู้ทันความโลงที่เกิดขึ้นตติจะทําหน้าที่รู้ตรงนี้แล้วก็เออมาทําให้จะเรียกว่ารักษาความเป็นปกติของจิตให้มันต่อเนื่องก็ได้ อ, อ่าบางทีมันก็ทําหน้าที่แบบนั้นในการรักษารักษาจิตให้เป็นปกติ รักษาจิตให้ไม่หลงไปอันนี้ก็อย่างหนึง่งแต่บางทีความหลงก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับจิตนะก็มีความหลงเกิดขึ้นไปตติก็ทําหน้าที่เป็นคณ น, นนิปเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวตัดนะเป็นตัวตัดความคิดตัดการปรุงแต่งเป็นตัวทําให้ดึงกลับมาหาความเป็นปกติอีกทีหนึง่งเมื่อมันรู้ทันมันก็ได้ตัดเมื่อมันตัดมันก็กลับมาเป็นปกติของมันนะ สติบางทีก็ทําหน้าที่สองอย่างคืออย่างหนึ่งคอยรักษาจิตให้เป็นปกติให้ไม่ทุกข์อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวตัดความทุกข์แล้วก็กลับมาเป็นปกติอยู่ในประสิทธงที่สําคัญมากถ้าเรารู้ทันที่อาการที่ปัจจุบันจะเป็นเรื่องของอาการของกายก็ดีจะเป็นเรื่องอาการของใจก็ดีทําหน้าที่เพียงแค่รู้แค่ศึกษาแค่สังเกตอาการของเข้าไป จิตมันก็จะเรียกว่าดำรงสภาวะที่เรียกเป็นปกติรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่เสมอนะแล้วก็เป็นปกติแบบไม่ใช่ปกติแบบอ่าเป็นความเป็นปกติแบบสดชื่นเบิกบานเนี่ยนะนะเบิกบานใจที่รู้ทันอารมณ์เบิกบานใจที่กิเลสตัณหาทําอะไรกับจิตนี้ไม่ได้ มันเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเบิกบานที่สามารถกระทาได้เนาะก็ก็ปากไว้ให้พวกเราได้ลองไปเรียนรู้ในการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอย่างไรที่จะไม่ทุกข์ใจไม่เอาเรื่องอดีตมาเป็นตัวทำให้เกิดจะเป็นการเปรียบเทียบให้เป็นความทุกข์ไม่เอาเรื่องของอนาคตมากังวลใจล่วงหน้าว่าจะต้องเจอกับอะไรจะทุกข์ขนาดไหนไม่ต้องเอาทุก อนาคตมาไว้ที่ปัจจุบันนี้แล้วก็คอยดูคอยรู้คอยศึกษาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจากการที่ดึงเอาอดีตก็ดีดึงเอานาอนาคตก็ดีมาเกิดเป็นความทุกข์ใจนะให้รู้ทันลงไปที่ตรงนั้นเมื่อเรารู้ทันที่ตรงนั้นแล้วมันก็จะดับทุกข์ที่ตรงนั้นนะเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเป็นการอยู่อย่างผู้รู้ไม่ใช่อยู่อย่างเป็นผู้เป็นนะไม่ใช่เป็นผู้จมกับความทุกข์ที่ปัจจุบัน แต่เป็นผู้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ละความทุกข์เสียได้นะละความอยากของความทุกข์ได้ก็เกิดเป็นความไม่ทุกข์ใจเนาะก็เป็นการเดินทางที่เรียกว่าเรียกว่าเข้าใกล้นะพัฒนิพานมากขึ้นก็ว่าได้หรือที่จริงก็เรียกว่าเป็นการเข้าถึงพัฒ น, นิพานในปัจจุบันตอง น, นั้นก็ได้ถ้าภาษ า, าจากพุทธทาสท่านบอกว่าเป็นนิพานชิมรอง เป็นนิพพานชั่วขณะเป็นนิพพานเลน้อยก็ว่าได้พวกเราสามารถเข้าถึงพระนิพพานเล น, น้อยได้อยู่ทุกขณะแล้วก็เป็นการเดินทางเข้าใกล้พระ น, นิพพานที่แท้จริงอยู่ทุกขณะด้วยนะก็ฝากไว้ในครั้งนี้